การควบคุมีความใต้ใจเพื่อให้แต่แรกที่เราจะาอยเรียนเรามาทําอะไรเรามาเพื่ออะไรเรามาทำมาเราต้องการอะไ ร, เร า, าะไรเรามีวัตถุประสองค์อะไรเรามายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวอยูเลยว่าเป็นสังเวชนีนยสถานเป็นสถานที่กระตุ้น เตือนให้จิตโองเราเล่นึกถึงธรรมะคือความจริงขึ้นมาธรรมะสังเวชีิยาสถานคือสถานที่กระตุ้นเตือนให้จิตของเราเล่นึกถึงธรรมะขึ้นมาธรรมะในที่นี้ก็คือความจริงโดยเฉพาะที่ต้นสีมาหาโพธซึ่งเราไม่สะดวกที่จะเข้าไปฟังธรรมะเราก็เรี่ยงมาที่นี่ ก็ถือว่าจิตของเราโน้มเขารบเหมือนกับวอนเรานี้ก็นั่งอยู่ใกล้กับต้นสีมหาโพธิ์หรือว่านั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ก็อยู่ในลัศมีของต้นสีมหาโพธิ์ก็ได้ยินเสียง็นตรีเสียองอะไรซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในนั้นเสียงอิจฉุทุกโคมก็คงไม่เหมาะที่จะฟังครับ พอเรามาตรงนี้สถานที่งเงียบสงบเหมาะที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในเมื่อเรามายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราจะต้องมาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรถ้าใครเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียบร้อยแล้วพระองค์เอามา มนสิทกานก็คือว่าเอามาควบคุมเอามาควบคุประมวลเข้ามาที่จิตใจของพระโอทิพพไพรของพระองค์ว่าเขาตัดการุอะรรจากนั้นก็รวบรวมความรู้เหล่านี้เข้าไปในจิตของพระโอทิแล้วก็ไต่ตองด้วยจิตต้องเป็นจิตเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องใช้จิตขึ้นกาลัง คือตัวสติที่ควบคุมจิตให้มั่นคงให้แนวเน่แต่ก็ไม่ใช่จิตที่มันนิ่งเฉยต้องเป็นจิตที่ตื่นตัวรู้ตัวทั่วพรมจิตอันนี้มันจึงจะประมวลเอาสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่ในจิตได้ดูพระพุทธเจ้าก็ใช้วิถีนี้ก็คือพบทวนว่าพระองค์ได้ตักแตูอะไร ที่พระองคทนทุกข์ได้ก็คือตระหนูรู้อะไรกันแน่จากนั้นก็ประมวลความรู้อันเนี้เข้าไปในขั้นใจของเราเข้าไปในจิตของเราแล้วก็ใช้จิตตรวจสอบดูการตระหนูธรรมของเราถ้าใครเข้าใจธรรมตรงนี้จะได้ในการปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นหลักธรรมที่สําคัญที่สุด มีว่เป็นแก่นธรรมเป็นแก่นธรรมที่พระพุธทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงเอาความรู้ตรนี้มาประมวลเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะฉะนหลักรูอคือหลักอันนี้คือหลักธรรมที่พระองค์เข้าไปตรัสรู้แล้วก็นํามาสั่สอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตาม คือเอาหลักที่ตัสรู้นี่แหละพเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าพระโอรสตัสรูอ้อะไรวันนี้เราจะมาดูคือธรรมชาติของจิตของแต่ละคนเนี่ยมันเลื่อนเลยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันถ่านเข้ามาในจิตของเราแล้วมันก็ทําให้จิตของเราเป็นทุกข์ได้มันมาทางไหนทางตาหูจมูกลิ้กนกลางจิต ทางตาก็เอาทุกเข้ามาหาใจเราได้ทางหูก็เอาทุกเข้ามาให้ใจังเราได้พระพุทธเจ้าก็ต่ยืดแต่ยื้เหมือนกันนะคือความคิงเนี่นยอันนี้เราจะพูดตะมวลเพื่อให้มันง่ายต่อความเข้าใจซะก่อนแล้วจากนั้นเราจึงจะรวบวมทั้งหมดเข้าไปรอพระพุทธเจ้าเข้าถวาอย่างไงแต่เราจะอธิบายซะก่อนให้เข้าใจง่าย ว่าทุกคนก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใ จ, จ, จเป็นรอยเชื่อมต่ออารมณ์ทั้งโลกให้เข้ามาสุดจิตของเราทุดดินถ้าเราไม่สํารวมไม่ระวังเนี่ยเราจะทํำไหมไอ้จิตที่มันเข้ามาเนี่ยไอ้เรื่องราวที่มันเข้ามาในจิตของเราสร้างเรื่องสร้างราสร้างปัญหาให้แก่เราสร้างปัญหาให้แก่สัตว์โลกทั้งหมดที่มีความทุกข์กันอยู่เนี่ย ก็คือมันผ่านเข้ามากทางนี้เท่านั้นทางยู่ไม่มีหรอกถ้าไม่ทำความเข้าใจตรงนี้เราก็จะปฏิบัติทำอะไรไม่ถูกอ่ะจะไปสนใจแต่ว่าเออนี่สมทานี่วิปัสสนาแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรตรงไหนต้องมารู้ ก, ก่อนว่าธรรมชาติของจิตทุกคนมันเลือกเลย มันมีช่องทางที่กิเลสปัญหาอุบาทว์หรือความเข้าใจผิดความหลงผิดมันทําให้เราไปเอาเรื่องราวภานอกเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวในจิตของเราเพราะการปฏิบัติก็ต้องมาสํารวจที่จิตให้รู้เท่าทันอาการของจิตโดยเฉพาะเวลามันกระทบอารมณ์ตอนนี้ที่มันมีเรื่องมีราวเข้ามาสู่จิตของเรามันอย่างที่บอกว่าเออ ออมาแล้วก็มาประเทศอินเดียแถบเขาด่าเขาว่าถ้าหากว่าเราเราได้ยินแล้วเราไม่เข้าใจภาษาของเขาเราไม่เข้าใจกับพวกกระเทียบกระเที้ยบกระจ้าอะไรกันล้วนเราฟังแล้วก็มันก็เราไม่รับรู้เราไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจเราแต่ถ้าเป็นภาษาที่เราเข้าใจมันก็เข้ามา สุขใจของเราแล้วก็มีผลต่อจิตใจของเราเพราอจิตสําคัญ ท, ที่สุดก็คือตรงที่ตาเข้ามาก็คือตาหูจมูกลิ้นการจากเพราะฉะนทุกคนเนี่ยจะมีตาหูจมูกลิ้นการจากเขาเรียกสลายต น, นะไอ้ตรงนี้มันเป็นจิตที่ทุกคนจะต้องมีกรรมประมวลกรรมเข้ามาแนละ้วกรรมนี่มันกอ่อให้เรามีรูปนาม คือเริ่มต้นเลยก็เหี่ยววิชาใช่ไหคือความหลงว่ามีตัวมีตนมีตัวเราเนี่ยพระเจ้าก็ทบทวนตรงนี้เลยว่าทุกคนมีความหลงจิตมีความเข้าใจจิดก็คือมีความหลงว่ามีตัวเรามีของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีเรามีเรามีเราทําอะไรก็เป็นเราทําเพื่อเรานี่คือตัวอาวิชาความเป็นจริงมันไม่มีเราหรอกมันเป็นแค่ธรรมชาติอันนธุ ฝ่ายรูปธรรมหรือฝ่ายร่างกายอันเนี้มันก็เป็นแค่รูปธรรมเท่าทนั้นเองซึ่งเป็นธรรมชาติทั้งหมดธาตุในธรรมชาติทั้งหลายมหาภูติรูปของสีรวมกันก็เป็นร่างกายของเนื้อเนยมันก็ประกอบกันที่มาเป็นกลางแล้วมันก็ทํางานได้เองโดยธรรมชาติของนั้นด้วยจริงๆมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราก็ อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดก็มันเป็นเราตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราเกิดมาเขาก็ตั้งชื่อแล้วเขามีลูกลของเขาลูกขอ ง, ข ง, เ, รของเราก็เป็นลูกของเขามีพ่อมีแม่ขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ต้องชื่อหมดชื่อนี้ชื่อนี้เริ่มคือเริ่มที่จะให้เป็นตัวของเราแล้วแล้วก็ไปแก้งว่าเราเนี่ยเกิดแล้วเกิดวันที่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราสมมุติตามมาหมดเลยมันทําให้เราเนี่ย เริ่มมีตัวมีตนขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกและ่ะแต่ความจริงไม่ใช่แต่เริ่มต้นจริงๆท่าพ่อท่าแม่มาพบกันเล็กนุดเดียวไม่ได้เป็นตัวตวนใหญมันค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็อาศัยจิตตวิญญาณดวงหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ล้วก็ไม่รู้รด้วย่าจิตวิญญาณดวงนั้น่ะเป็นใครมาจากไหนเป็นอะไรมาแต่ว่าตอนนี้มันมาเป็นเราเนี่ย มันเป็นตัวตนของเราแล้วตั้งแต่เลี้ยเติมจริงๆไมนุษยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อาศัยธาตุหม้อธาตุแหนะอาศัยอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปแล้วก็มาหล่อเลี้ยงให้ร่างกายอันเนี้ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาพร้อมกับตัวจิตเนี่ยมันก็อาศัยกายจะริญเติบโตไปกับร่างกายเยี่อถ้าร่างกายมันมันมันมันมันมีความเจริญขึ้นมา มันก็สัมผัสรับรู้อารมณ์ได้มากขึ้นมันก็มีผลต่อนามธรรมมีเป็นจ่อจิตของเรายิ่งมันมีเหตุมีปัจจัยอยูเนี้ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจตรงนี้มันก็จะมีความหลงตั้งแต่ที่แรกเราก็มีความหลงแบบนี้แหละหลงว่ามีตัวเราทำความดีก็เพื่อเราทำไม่ดีก็เราทำมันมีเรามีเรามีเราและความเป็นเรามีตัวตนของเรานี่แหละที่ประมวลเก็บไดในจิตในทวังขจิต ก็ผลของการกระทําดีทําชั่วเดีย๋ยวมันเป็นเรื่องของผลเขากรรมมันถูกเก็บเอาไว้แต่ถ้าเชื่อว่าตรงนี้เราเราไม่มีความหลงตรงนี้นะเรารู้แล้วว่าเออเนี่ยธรรมชาติของรูปนามอันนี้ไม่ได้มีตัวเตนจริงหรอกมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยตรงนี้เรื่องราวภายในจิตของเราก็จบลง แตาวนีเราไม่เข้เขาใจตรงนี้มันก็เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคนที่อยู่รอบข้างเราก็พากันเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรากันไปหมดเลยมีเร า, เเรามีเขาอยู่อย่างเนี้ยเพราะความไมหนู้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงจําเป็นต้องอุบัติขึ้นมาเพื่อจะทําลายความเข้าใจผิดตรงนี้ความเหลงผิดตรงนี้ ความเห็นผึดยิ่งเรียกว่าอวิชาก็ได้หรือความเห็นผึดกระดับความหลงผิดก็ได้อันนี้เหล่ยที่มันเป็นความรุ่มหลงที่ยิ่งใหญ่มากมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะรู้ความจริงรู้แจ้งแท้ตลอดตรงนี้ได้จึงจาเป็นจะต้องมีมหาบุรุษที่ยอมเสียสละคนทุกยากลําบากสร้างบารมีเพื่อที่จะตัดสินคำสนี้ให้ดับเพื่อปก เตี้ยความรุ่มหลงที่ยิ่งใหญ่มหาศาลทำให้คนและก็สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลนามอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้เสียสละยิ่งใหญ่มากแต่เพราะฉะนั้นเมื่อพระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วก็ต้องทบวทวนทันทีว่าโอ้เหตุเพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้มีตัวมีตนก็คือมีอริชธรรมเ่นเอง เมื่อวิชามันก็ทําดีทําชั่วก็เป็นเราคือตุงแต่งดีตุงแต่งชั่วแล้วก็มีเราเป็นผู้กระทําก็มีตัวมีตนก็เก็บเอาไว้ว่าเป็นเราทําำดนพวังคติเมื่อมีตัวเรามีของเราเราทําแล้วตรงนี้มันก็ส่งผลเวลาเราเวลาเราร่างกายของเราเนี่ยมันหมดสภาพจิตเจนเยื่อมันไม่ได้ตายด้วย ที่มันก็เกิดดับนะแต่ว่ามันรู้อารมณ์แลนะ้วก็ดับไปพวกอยันยามทั้งหลายเนีมันก็คือเป็นกระแสของความเกิดดับแต่ว่ามันมีตัววิชาตัวนี้ควบคุมอยู่มันก็เลยส่ผลให้ต้องไปตามอำนาจของกรรมผลของกรรมตัวนี้มันถักดันทําให้ยินยามของเราเนะี่ยต้องไปหาลู่แล้วกันหน ก็คือกายขับใจดวงนี้เนี่ยการขับใจพวกเราเนี่เพื่อที่จะรองรับกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เนี่ยตัวกรรมตัวนั้นเป็นตัวผักดันแล้วก็มาหาร่างกายอย่างตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็หมายความว่ากรรมของเราที่เกิดำเอาไว้มันพอดีกับความเป็นมนุษย์แล้วมันพอดีกับความเป็นมนุษย์อีกอย่างที่เราเป็นเช่ด้วยคือมันพอดีมนะัพอดีกับพ่อกับแม่คนนี้แหละ กับพี่กับน้องคนนี้หลักที่มาเป็นพี่เป็นน้องกันนี่มันคือมันมีความพอดีลงตัวกกรรมเขาเกิแล้วก็ผักดันให้มาเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ถ้าหาว่าทบทวนดูว่าเออแต่ก่อนนี้เต็มเพราความหลงหลงทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็หลงว่ามันเป็นตัวตนของเราเป็นเรากรรมเมื่อมีความหลงมีความยึดความติดความคล้องมีตัวมีตนอย่างนี้มันก็ผักดัน ทำให้เราต้องมาเกิดทีนี้มาเกิดแล้วทินตอนนี้มันมาแล้วมาตอนแรกก็ท่าพ่อท่านแม่นิดเดียวเชื้อพ่อเชื้อแม่แล้วจิตเป็นวิญญาณก็เข้าไปอาศัยมันจะพอดีกันถ้าว่าไม่พอดีกันเนี่ยถ้ามันมีวิญญาณไอ้ท่าพ่อท่านแม่อันนี้ถึงพบกันก็ตามมันก็เกาะไปเองภายในจิตน่ะแต่ถ้าไม่มีท่าพ่อท่านแม่วิญญาณก็เข้าไปอาศัยไม่ได้ ก็เกิดไม่ได้มันจะต้องประกวบกันพอดีว่าถ้าพ่อถ้าแม่ผสมกันแล้วก็จิตวิญญานก็เข้าไปอาศัยจากนั้นต้องมีเหตุปัจจัยคือมีอาหารเหล่เอเนียก็เจเริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยเรนี่แหละตัวเราเดิมต้นมาไม่ได้มีอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรเลยเล็กุ๊ดเดียวนี่มันจเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้ว อยู่ในท้องก็ได้รับความทุกข์ทรมานตั้งแต่ที่แรกแล้วแน่รับประทานอาหารเผ็ดมันก็มีผลเย็นก็มีผลร้อนก็มีผลขยับเนื้อขยับตัวก็มีผลวันก่อนยังมีโยมเงินก็โทรศัพท์มาหมอเขาไม่ให้เขาห้ามเลยนะว่าเอเดินขึ้นเดินลงบันไดสูงๆก็ไม่ได้เขาให้ละมันระวังมาก เพราะว่ า, วาันเข้าอ่อนแออะไรทำองแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำบุญนะพยายามทำบุญเสร็จแล้วก็บอกว่ามันก็กระทบกระเทือนจนได้นะแต่ไปทอดก่อนกำหนด อ, อายุเจ็ดเดือนก็ไปลอดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพระโทรมาขอทำบุญถวายสังฆทานเออก็ยังดีนะแต่เดาว่าคนที่มาเกิดมีบุญว่าแม่รู้เช่างทาง เกียรติช่วยเหลือลูกด้วยการอาศัยอยู่อันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็อยู่ที่กรรมของเราถ่ากรรมดีมันให้ผลนะเป็นฝ่ายดีอย่างเนี้ยมันก็ทําให้เจริญขึ้นแต่ถ้ากรรมไม่ดีมันให้ผลเป็นฝ่ายบาปอย่างนี้มันก็เสื่อมลงต่ำเน้แต่เรื่อง เงิเรื่องอะไรก็ตามบางทีสมควรจะได้ก็ไม่ได้ถ้าบุญไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้านี่พูดเรื่องบุญเอาไว้มากเรื่องการทําความดีมีความสําคัญที่สุดยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้มองตรงนี้ถ้าใครไม่ได้มองตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ตกาพโอกาสาคิดว่าเป็นพราะความขยันเป็นเพราะใจจังหวะถ้าไม่มีบุญอย่างไงยังไรก็ไม่ได้ต้องอาศัยบุญ ดั้งเดิมที่เราเคยทำมาเมื่ยอันนี้อาศัยคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าที่ทตั้งแต่ตั้งไรถึงเมื่อเมื่ อ, อขอคันมันแก่ขึ้นมาแล้วก็ค่อดออกมาตาหูจมูกยิ้มใจใจก็ขยายตัวออกมนทนี่นี้ีตาหูจมูกยิ้มใจใจเพื่อลองรับกรรมเวลากรรมมันจะให้ผลมันจะมาทางตาหูเลยแตะทางหูง ทางจมูกทางวินทางกายแล้วก็ทางใจทุกทางนี้เพราเวลาเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะั่นแหละกรรมไม่ดีมนะันให้ผลเลนะแต่เห็นสิ่งดีๆก็กรรมดีให้ผลรวมทั้งการได้ยินได้ฟังเลยถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้โดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้แสดงว่ากรรมดีให้ผลอย่างมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยหรืออย่างการที่เราได้มาอินเดียมาตามรอยบ่าของพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ย นี่คือกําดีให้ผลแน่นอนเลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ประมวลความรู้ของท่านขึ้นมาว่าแต่ก่อนเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้นี่ก็ทําให้ทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็เราทำกรรมไม่ดีก็เราทําแล้วก็เก็บไว้ในพวังขจิตอย่างนั้นก็้่งผลให้มาเกิดเพื่อรับกรรมนั้น ก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องมีกายในกายก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเพื่อที่จะรับกรรมทั้งหมดที่ตัวเองทำเอาไว้ไม่พ้ น, ท า, า น, น, นทางจิตใจเป็นลักษณะคุ ณ, ณสมบัติของจิตก็ได้มาจากกรรมอำนาจของกํามมือกรรมทีนี้พอมาอยู่ในทองแล้วเนี่ยไอ้กรรมตรเนี้ยมันก็เริ่มสร้างร่างกายสร้างลูปขึ้นมา ใครทํากรรมดีมามันก็สุขภาพร่างกายก็ดีรูปร่างหน้าตาก็สมบูรณ์สวยงามอะไรก็ไปเไี่ไปตามกรรมหมดแนละ้วตรง น, นี้จนกระทั่งมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างที่ทุกคนเป็นอยู่เนี่ยนิรกรรมมันส่งผลมามาทางวิญญาณมันเก็บไว้ในผวังาของวิญญาณแล้วก็ส่งผลมาเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็มาเป็นตัวเราในขณะนี้ คุณสมบัติของจิตก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างถ้าเราเคยทําบุญมาเคยฟังธรรมมาเคยรักษาศีลเคยภาวนามามันก็ทําให้เราสนใจมีความศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากจะคึดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือคุณลักษณะคุณสมบัติทายในจิตของเราก็คือตัวกรรมในอดีตมันมีผลอยู่ ทีนี้เวาเขจะเจ้าทบทวนอย่างนี้แล้วก็รู้นะทีนี้เวลามันกระทบอารมณ์จีตตาเห็นพักมันก็มีผลต่อจิตกระโจนเข้าไปหาจิตแต่ถ้าสติใครดีนะจิตมีกำลังนะมันจะฉับเลยว่ากระทบบางทีเราอาจจะเคยเห็นเลยรู้อย่างเช่นว่าเราอยู่อย่างนี้ยมเราเสียงมีเสียงมา ข้านอกมามันก็ไม่กระทบกระเทือนเข้าไปสู่จิตของเราเพราะเราไม่รับเข้ามามันก็ไม่มีผลต่อจิตแต่ถ้าเสียงด่าเราอย่างเนี้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้ิตมันออกเป็นละเป็นละเป็นละเอาเข้ามาคือความรู้สึกมันไม่สบาย ก็ขึน้นเียนขณะเพราะนั้นขับศัพมันมีตาหูจมูกนิ้วกายใจมันก็เลยกะปประทบอารมณ์ ก, กะปประทบอารมณ์นี้ทั้งเรื่ว่าผับศะพลายต น, นะทาให้เกิดขับศะเป็นปัจจัยทําให้เกิดขับศัพท์ทำนิ้วหันตรงนี้ก็สัพแปลว่ากะระทบเฉยๆมันจะมาทางไหนก็ตามทางตา ก, ก า, าก็ตามหูจมูกนิ้นกายหรือใจนึกคิดขึ้นมากระทำใจนึกคิดขึ้นมาแล้วมันก็ เข้ามากระทบใจทีแล้วจะซึมซึมซาบเข้าไปสู่ใจเราที่แรมันคิดธรรมดาดนะี่ยเป็นความคิดธรรมดาแต่ความคิดบางเรื่องอ่มันตรงกับความรู้สึกของเรามันก็เลยกระทบจิดหวงเพรา ะ, ะนล้นอยู่คนเดียวมันก็ทุกได้ไม่จาเป็นต้องมีไปเห็นหรือได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสอะไร จิตเนีมันลุกขึ้นมายุ้ยเรื่องขึ้นมามนนลุกไปเรื่อยๆถ้าเรื่องไหนที่มันกระทบจิตเร า, าได้มันก็จะมีผลต่อจิตของเราเพราะฉะนั้นจึงหนีไม่พ้นมาตับทุกแน่นอนเลยถ้าหาว่าไม่ทําความเข้าใจให้ดีหรือไม่ปฏิบัติตามคําสอนของรพัพอุเชจรหรือเมื่อทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นจางจัง ก, ก็ต้องมีการกระทบกัน ตาก็ต้องกระทบกับรูปภายนอกภายนอกกับรูปก็คือเนี่ยคนสัตว์ชิงฟ้องอะไรเนี่ยจะแทนที่ในอากาศได้หูจะต้องได้ยินเสียงเสียงชมก็พอใจเสียงด่าเสียงว่าก็ไม่สอบใจทีนี้มันเป็นอะไรทําไมกระทบแล้วฟิลมพวกนี้ขึ้นมมาถ้ากระทบแล้วมีสติรู้เท่าทัานเนี่ย มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่ทําปั๊บมันจะมีเวทนาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าขัดจักเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกขึ้นมามันจะรู้สึกขึ้นเองเพระเวลาตากระทบกับลูก ม, มันจะต้องมีจัตุวิญญาณไปรับรู้ว่ารมณนี้ทุกครั้งถ้ารูกระทบเสียงก็เหมือนกันจะ ต, ต้องมีโสตวิญญาณ ไปรับรู้เสียจงจนมันไม่กินก็จะต้องมีฐานวิญญาณเกิดขึ้นเพื่อไปรับรู้กลิ่นจะทบรถบัสก็จะต้องมีคิวหาวิญญาณตัววิญญาณนี้นจะรีบไปทา ง, งานทันทีเลยมันรวดเร็วมากมันจะเป็นธรรมชาติเขาเหมือนอย่างนี้อันนี้เป็นระบบของธรรมชาติ กายถูกต้องสัมผัสก็จะต้องมีกายะยินอย่างเพื่อเรียรับรู้อารมณ์ที่มากระทบความรู้สึกตรงนี้เรื่องราวภายในจิตก็จะต้องมีมโนยิ่ญยาวไปรับรู้เวลามันกระทบใจถ้าใครไม่เข้าใจก็นึกถึงตากับรูปเนี่ยมันมีมีตากับรูปแล้วก็จะมีจักรสื่อินงยาวไปรับรู้ ธรรมา ร, รมอารมณ์ที่มันใจมันลึกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีใจที่จะกระทบตั้ใจมนี่ยกระทบกับธรรมารมกับอา ร, รมณ์ที่ใจมันลึกขึ้นมาแล้วก็จะมีมโนวิญญาณไปรับรู้ถ้าหากว่าเราทําตรงที่รู้รับรู้เฉยเฉยเนี่ยก็จแต่ว่ารู้เรื่องราวก็จะหยุดแค่นั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําำตี้ ในการกระทบทุกครั้งมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็มีสบายไม่สบายหรืเฉยๆเฉยก็ถ้าหาว่าสบายเนี่ยจิตของเราเนี่ยถ้าหาว่าเราทันรู้ว่ามันมีเวทนารูนี่เป็นสุกขเวทนาอันนี้เป็นทุกขเวทนามันก็หยุดแค่นี้เหมือนกัน หยุดได้แค่เวทนาถ้าหาว่ามันรู้สึกไม่สบายขึ้นมาอันนี้แหละเป็นอำนาจของกรรมเก่ากรรมเก่ามันให้ผมพอกระทบแล้วอยู่ดีๆมันก็ไม่สบายขึ้นอย่างเราถ้าเรารู้ถามว่าไม่สบายก็เป็นนั้นว่าใช้กรรมไปกรรมในอดีตเราใช้แล้วถ้าเราไม่ทันปั๊บเนี่ยบมันจะมีความคิดจงใจขึ้นมาอย่างถ้าไม่สบายปั๊บมันก็อยาก ให้หายไปไม่อยากให้เกิดขึ้นนรืกลายเป็นปัญหาและ้ะถ้าหาว่าชอบใจสบายใจก็ชอบใจก็อยากเอาเข้ามามีเงื่อนปูแต่ในทางจะเอาละหรือถ้าเฉยมันก็วนเวียนน่ะแบบชนิดที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเอาดีหรือไม่ดีชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่แม่ใจคล้ายๆวนเวียนวนเวียนอยู่ก็เป็นโมหะชนิดหนึ่ง เพราะมันก็เลยปีนขึ้นมาในจิตเขารยกเป็นกันหาเป็นัญหาอันนี้ถ้าไม่ทำมันอยู่ถ้าทำก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังเป็นผลของกรรมอยู่กรรมเก่ามันให้ผลมันผักดันทำให้เกิดปัจจัยยาของจิตในทางที่จะเอาทุกข์เข้ามาให้กับเรา แค่นี้เมื่อมีปัญหาเนี่ยมันเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปรารรคอยากได้บ่อยๆหรือว่าไม่อยากเอาบ่อยๆคือเป็นอุปท า, านนะตรงนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าไม่ทําตรงนี้ปั๊บตรงนี้จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ทันทีเลยจากนั้นก็ดึงเรื่องเหลนั้นเข้ามาฝังอยู่ในจิต นี่เราเริ่มทุกเริ่มก่อตัวมาถึงถึงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิใครทันนะเป็นน้ำหนา้าท้ายกรรมหมดเลยจบเลยไม่มีปัญหาอะไรหรือเราทันไหมแยกสติเราทําจิตของเราไหมตอนที่มันกระทบอารมณ์แล้วมันเริ่มปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทํามันไหมถ้าไม่ทันปั๊บเรื่องราวเข้ามาอยู่ในจิตเราแล้วนี่คือเหตุแห่งทุกในปัจจุบนันเกิดขึ้นแล้ว คือเป็ น, นขนพุ่งกรรมเก่าสะระทอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกขึ้นมาสบายมาไม่สบายมา ก, ม, า ม, ากแบบมัวแบบมวมัวแบบคือหลงจิดไปมีเริ่มเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วมีเอวิชามีปัญหามีปรญหาขึ้นมาแล้วจากนั้นเรื่องราวก็มาอยู่ในจิตของตัวเองเขาไม่อยู่ในจิตตั้ ทำตรงนี้เทานี้มันจะปุ่มแตกปุ่มแตกมันจะวนเวียนแล้วนี่หนละักที่พระเจ้าตรงเลี้ยวชาบมันจะเริ่มทุกตรงชาบนี่แหละตรงที่มันคิดมากมากคิดบ่อยๆคิดมากมากบางทีปวดหัวบางทีก็เกิดปวดทุกข์ทรมานบางทีนอนไม่หลับบางทีเศร้าหมองบางทีซึมเศร้าบางทีโกรธเครือง เกิดความรุ่มร้อนขึ้นในจิตโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าสติไม่รู้ทันตรงนี้เท่านั้นเองแล้วจิตมันก็ปูงแต่งไม่มีหยุดปูงแต่งไปเรื่ อ, อยๆปูนแตงแล้วก็ส่งต่อไปแล้วก็ปูงแต่งต่อไปเปเรื่องเป็นเล่าขึ้นในใจิตใจด้วยกำลังทุกข์มันจะเกิดอย่างนี้กระบวนการก่อทุกข์ขึ้นมาเนี่ยยิยงผู้ดเดีย่เจริญก็แต่เจรเรื่อยๆ เรื่องความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตพรามันเกิดขึ้นได้อย่างไงเพราะว่าพระพุทธเจ้ารท่านดับทุกข์ได้แล้วท่านก็มาเปิดสอบว่าทุกข์จะมาเกิดขึ้นได้อย่างไงเวลาทุกข์เกิดขึ้นในจิตของแต่ละคนเกิดขึ้นได้อย่างไงถ้าเอาในปัจจุบันนี้ก็คือจุกเป็นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ได้มีการกระทบอารอมณ์เมื่อกระทบแล้วถ้าสติไม่ทำตัวกระทบนี้ไม่เห็นว่าสั์จะว่ากระทบก็จะปูดตัน เพาะมันเกิดเวทนาขึ้นมาแนละ้วโดยเฉพาทุกเวทนาทุกเวทนานี่มันก็ไปในทางชอบใจไม่ชอบใจนะชอบใจก็จะเอาเข้ามานี่ก็เป็นปัญหาแบบนี้นะถ้าไม่ชอบใจก็วิภาวน์ปัญหาทำนี่จะปูงุงแต่งมีอุปทานแล้วก็เอาเรื่องเข้ามาไว้ในจิตตัวนี้ถ้ารู้ทันเนี่ยมันจบ มันเป็นแค่ขนของอกรรมหรวิบัติวิบัติหรือกรรมเก่ามันให้ผลให้ผลกต่จิตมีเขาจเรียกวิบัติกรรมที่มีผลทางจิตนี่แหละเขาเรียกวิบัติมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทํำตรงนี้มันจะปุงแต่งเป็ น, าน ช, า, ชาบชาบมันไมว่ามันเกิดขึ้นในจิตก่อนแล้วปุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราว ตัวเป็นต้นอยู่นั้นหมดเลยวนเวียนจมอยู่ไปเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉะนคนที่เป็นทุกข์เนี่ยก็คือไม่ทันตรงนี้เองเนื้อตึงไมากๆมันก็บีกันจิตจังมันทุกข์ทรมานอยู่ที่จิตจกลายเป็นว่าจิตของตัวเองเนี่ยมันหลงมันไม่รู้จะติดตามไม่ทํำก็สร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างเราให้กับจิตตัวเอง ถ้ารู้ก็พยายามมีสติควบคุมจิตให้ได้ให้ทันมันถ้าทันมันเนี่ยเรื่องจะจบถ้าไม่ทัน์เนี่ยมันปูใหญ่มากมายแล้วก็ต่อไปเนี่ยอารมนี้มันก็แก่ขึ้นเ้าเรียกว่าชลาเกิดข่าวแล้วก็ชลาโมระก่อนที่มันจะดับไปนั่นก็มีทันจิตใจเป็นโศกมีเศร้าโศกก็มีขึ้นมาแล้วแต่ทเทวะร้องให้ลำพึงลำพัน์ก็เกิดขึ้น ทุกข์ขาทุกกายดีทัันกายด้วยโทมนัสกษะทุก ข, ข, ขกใจสารภาพเลือกที่มันจะกุ้มลุ่ ม, มจิตาาใจอุปยากกัะใจแห้งขาดเลยยิ่งเหวีห่ยง่งทางจิตใจทะนุประมาณไว้เหมือนกับกระทเดือดเดือดเท่านั้นร้ อ, อนๆะอ่ะพอเอาน้ำหยดลงไปีเหือดแห้งไปเลย ไอ้ใจเวลาเหือดแห้งก็จะเป็นแบบกระทะร้อนๆหยดน้ำใส่เข้าไปแล้วก็เหือดแห้งไปเพราะนั้นก็จะดีดันจิตใจเพราะนั้นทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ที่มาจริงๆของมันที่มาของทุกข์ก็คือว่าตั้งแต่เราเนี่ยขาสติขปัญญาอะไรเอาไปคาปัจจุบันก่อนเลยว่า เพราะว่าเราเป็นกรรมแบบทุกในปัจจุบันอยูถ้าหาว่าเรากระทบอารมณ์ปั๊บจติดครดีรู้ทำแต่เพว่กระทบเก็บเลยเพราะบาคนมีแต่เพราว่กระทบมองดูเฉยๆอะแล้วมีเรื่องแนละ้วกระทบจิตนะเลยมีเรื่องมีเราอะไรที่เรากระทาดูเฉยๆมีสติสเป็นปกติแล้วควบคุมมารมณได้ได้แต่ทีนี้ถ้าเรามีเวทนาขึ้นมาถ้ามีจิตดีเราก็ัะอยู่แค่ในจิตนีเราใช้กรรมแบบแต่ดีทันจุดนิดหน่อยแบบไม่เป็นไร จบอยู่แค่จิตเราถีงมันมีปัญหาขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทานันมีก็ยังจบยังไม่มีเร่างไมีเรไม่มีปัญหาอะไรยุทธะรรมเข้ามาอยู่ในจิตเรายังคุมได้อยู่มันทําท่าททางอยากจะออกไปก็ยับยังไว้ได้ยังทํากันอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไ ร, ไะาาระยังเป็นก็แค่ทุกข์ในจิตเรายังไม่เป็นปัญหามากมาแต่ถ้าเราคุมใจอยู่ที่นี่ มากมายนะที่จนทั้กระทําไปทางกายทางวาจาก็ยิ่งยินบานปลายออกไปถ้ายังอยู่ในจิตยังยังอยู่ในจิตเท่านั้นก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้ามันลองมันแยกออกไปรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนีนเป็นปัญหาบานปลายออกไปเพราะนั่นต้นยึดเดียบตรงที่กระทบอารมณ์แล้วกติไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วมันก็ คงแต่งเป็นเรื่องเป็นเล่ามากมายขึ้นทีนี้พูดถึงธาตุธาตุในปัจจุบันก็คือว่าจิตคิดนิสุงแต่งถ้ามีธาตุเมื่อไหร่เนยละตัวทุกข์เกิดแล้วก็ทําให้เกิดพลามรลนะหมายว่ามันุงแต่งมากขึ้นมันแก่ขึ้นแต่นี่เรามีเราพูดมือแม่ของจิตแต่ถ้าห า, ว, าว่าพูดนงี้ยวว่าความพบความขาดก็คือเมืตายก็ไปเกิด ไอ้จิตที่มันกำลังทุกข์ทรมานนี่แหละมันก็ไปหากายรองรับอารมณ์นี้เพราะว่าจิตมันเป็นทุกข์มันก็ไปหากายรูรนรน ป, น, น, ปาานามที่รองรับทุกข์ น, นี้สถานที่ก็จะต้องเป็นที่มีความทุกข์มีความทรมานมีความดิ้่รนในเรื่องเพราะไอ้ตัวกรรมนี่มันมาขับในเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันต้องไปหารูปนามที่เป็นทุกข์ทำให้เปวเงเป็นทุกข์ให้สาเหตุกับมันมีความทุกข์ มันก็เลยไเกิดในที่ที่มันทุกข์ทรมานน่ะนี่คือมันเป็นชาติมันท้ามภพท้ามชาติดบวนี้แต่ว่าถ้าจะเอาบักรทุกในชาตินี้ก็คือว่าให้มันทําตรงที่มันเป็นชาติเอาเมื่อชาติพุ่งแต่เงินก็ช่าตเราก็พยายามที่จะดูมันอดทนดึงยันลงไปเพราะนั้นมันจึงมีข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าทุกนี้ให้มากำหนดรู้เชีย นี่คืทุกนีเวลาพระพุทธเจ้าทบทวนประบวนเข้ามาแล้วอ๋อมันมีความทุกแบบนี้แหละเราจิของแต่ละคนเนี่ยมันพร้อมจะเกิดทุกแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาเสวยหาทางที่จะออกจากทุกพุ่งก็พบวกก่าเออถ้าหาว่ากาหนดรู้ใช่ยหมายังตั้งสติดีๆแล้วถ้าใครเรียมีการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์พยายามมีสติเข้ามาเห็นเห็ว่ามันเป็นตัวทุกแล้วพอจะดูทุกไปเนี่ย มันก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ทุกข์นี่มันเป็นโชคชะตของเราเนี่ยมันไปมีอุปทานแต่เอาเรื่องราวจากข้างนอกเข้ามายึดกระเป๋ากป็นหายเหตุของมันได้เนี่ยถ้าเราว่ามันทําเหตุมันแล้วมันก็มันปล่อยวางเหตุของมันเนี่มันดับไปอย่างนี้มันก็จะรู้ขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็สอนว่าทุกข์นี่ให้ตําหนดรู้นี่คือทุกข์อันดับแรกเี่ เรียกว่าสัตยาณหมายว่ารู้ความจริงของมันกำหนดรู้จิตที่เกี่ยวข้องกับความทุกขโดยให้กาหนดรู้โดยให้ศึกษามันให้รู้ให้เข้าใจมันให้เห็นมันให้มันแก้ให้มันชัดจึ้นมาสัตยาณหมายว่ารู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเป็นเพราะจิตของเรามันไปยึดเอาเรื่องของเราเข้ามาเอง หรือบางครูนั่งกายของเราอย่างนี้มันเจ็บมันป่วยมันไข้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติรู้รู้ว่าเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาทางจิตใจของเราเพราะมันเกิดความรู้แล้วนี้คือทุกเนีย่ยทุกทางกายก็มีคือทุกเหมือนกันกําหนดรู้คืงดูให้รู้ให้เข้าใจมันพราะเป็นความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเป็นธรรมชาติของร่างกาย ท่ารู้แล้วกระตากยามหมายว่าทาความรู้ทําความเข้าใจแล้วจริเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็ยอมรับได้ว่ามันมันเป็นทุกข์แค่อยู่แค่ร่างกายเท่านั้นเองไม่มันทุกข์ที่จิตที่คําสอนของมุขเจ้ามีเป้าหมายคือไม่ให้มีทุกทางจิตใจทางกายเนี่ยมันเป็นสภาวะทุกข์อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนก้อนทุกข์เป็นเหมือนกองทุกข์ มีความเปลี่ยนแปลงมีความเจ็บปว่วดไข้มีความชร า, ามีความทุกข์โศมอะไรของมันอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับก้อนทุกข์อ่ะเป็กองทุกข์ชนิดหนึ่งพูดถึงร่างกายเนี่ยเรียกว่าวมันเกิดมาเพื่อรองรับทุกข์เนี่ยมันก็มาจากกรรมของเราเนี่ยมันบังคับให้ต้องมารับกรรมตรงนี้แล้วก็มีร่างกายแบบนี้เพื่อใช้กรรม หรือจะใช้ร่างกายนี้เพื่อออกจากกรรมอยู่ที่นี้มันก็จะมีวิธีที่จะออกจากกรรมเลือกเพราะฉะนั้นมาศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเพื่อออกจากกรรมเพื่ อ, อยืนเหลือกรรมเป็นสลอดจากกรรมขณะเดียกันเที่ยวไม่ต้องไม่ ม, มีทุกข์ติดต่อไปก็คือสติของเราเนี่ยต้องตามให้ทันและทําความเข้าใจให้ได้เพราะฉะนต้องให้จิตของเราเห็นเห็นร่างกายนี้ว่านี้คือทุกข์ ยิ่ต้องเห็นเห็นต้องเห็นในจิตเพราะเวลาปฏิบัติมาถ้ายังไม่เห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายัางกําลังยังไม่พอยังต้องปฏิบัติให้มากขึ้นแต่ถ้าใครมาเห็นแล้วก็ต้องเห็นให้มากขึ้นจนมันพอนี้คือทุกหน้าที่ที่ทําเกี่ยวกับความทุกข์ก็คือทําให้รู้กำหนดรู้ใ ห, รให้เข้าใจ ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นมันเป็นสัตว์ประทุกเท่านั้นแล้วมันก็เมื่อมันรู้มันเข้าใจแล้วเขาเรียกวกระตับยามมายว่ามันจะวางมันวางมันวางนี่มันก็จะรู้ว่าเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์นี้ก็คือว่ามีอุปาทานคือมันมีพพมันมีพหแล้วมีเรื่องเข้ามาอยู่ในจิตแล้วก็เลยปูนแต่งวนเวียนอยู่ในจิตเนี่ยก็คือมีพพ แล้วก็มีอุปารานท่าทั้งไลก่ก็ย้อนย้อนกลับคืนไปเพราะฉะนั้นมันมีทุกเมื่อเลยไม่ว่าทางกายทางจิตต้องกำหนดรู้นี้คือทุกขณ น, นมันก็เลยกลายมาเป็นว่าข้อปฏิบัติที่ออกจากทุกจึงเรียกว่าอาเลย ก, กสติตอนแรกใ น, นธรรมชาติธรรมชาติว่าออคนเราเนี่ยถ้ามีกายมีจิตมันต้องมีการกระทบอารมณ์ เมื่อกระทบอารมณ์จิตเราต้องมารับรู้เมื่อรับรู้แล้วความไม่รู้อยู่ในจิตอย่างนี้ยมันก็จะยึดมันถือมั่นขึ้นมาคือมันมันไม่แบบต้เริ่มตั้แต่ว่าเออกระทบอารมณ์มีภัะขึ้นมาเราไม่ทำตรงภัตตาเมื่อทำตรงภัตตาก็จะมีเวทนาก็ยังไม่ทำตรเวทนาอีกเมื่อไม่ทำตรงเวทนามันก็มีปัญหาก็ไม่ทันอีกมันเป็นพพมันยึงเข้ามาในจิตพร้อมที่ปอดทุกแล้วไม่ทันอีกจากนั้นก็เริ่มจนชาบุ่มบ่าบึ้ง ชาจิที่พิพิธาเริม่มมีทุกทันทีเลยดังได้ความรู้ตรงนี้สําคัญมากเพราะนั้นจีนต้องเลือกเลนทีเดียวเพวราะฉนั้นจีงต้องคำนึง ร, งระวังมากเพื่อให้ทําทันตอนที่มันมันกระทบอารมณ์และตอนที่มันมีเวทนาตอนที่มันมีปัญหาตอนที่มีอุปทานตอนมันถึงพบ แต่มันลดลงมากเลยนะมีผู้พูดมีพูดแค่ช้าว่าขั้นตอน่มันเป็นอย่างนี้ในกระบวนการทํา ง, งานของจิตใจพอ ม, มีชาติแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวที่นี้เรามาทําตรงที่มันเป็นชาติแล้วอ่ะเป็นเรื่องนั้นต่างเรื่องนี้บางอย่างนั้นอย่างนี้เขาหว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องมีแบบเข้า ส, าสาู่ทางอายุสัจีแล้วพยายามที่จะกําหนดนรือต้องมารู้ แต่ทีนี้ถ้าว่าเร า, เรายังไม่สามารถกําหนดรู้ได้มันเป็นเราเป็นเราเป็นเราเราไหลไปกับมันเราแ ย, ย่เราไม่ไหวก็แสดงว่าเราต้องปฏิบัติให้มากขึ้นต้องพยายามมาเจริญสติแย่เพราะทางออกนี้มันต้องมาเจริญสติเพื่อมารู้เท่าทัา น, น, นตอนที่มั น, น, น, นมีปัจจัยนี้เพราะการเจริญสตินี้มันจึงเป็นข้อปฏิบัติก่อนที่มันจะมาเห็นทุกนี้คืทุกได้เนยมันต้องมี กำลังของสติตกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาก็เพื่อที่จะเข้ามาเห็นนี้คือทุกนี้แหละถ้วกำลังไม่พอยังไงมัก็ไม่เห็นเพราเป็นเราเป็นเราเพราะความรู้นี้มันหนาแน่นมากถ้าใครปฏิบัติมาจิตมีกำลังในนี้คือทุกได้อ้าวสบายแล้วกําหนดรู้พยายามกําหนดรู้ไปก่อนเอามาทุกขณะนี้ก็ ถ้าพยายามที่จะกําหนดรู้ถ้าหาว่าเราพยายามที่จะรู้ที่จะรู้ที่จะรู้รแสดงว่าเราเริ่มที่จะมองเห็นแล้วไม่ใช่เับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแน่ๆไม่ใช่ทุกของเราเนะี่ยคือเราพยายามดูแล้วนี่ก็คือว่าเรามีธรรมะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจจิตเราเริ่มมีทางออกเริ่มเห็นทางออกถึงมันยังอยู่แต่ว่ามันเริ่มมีทางออกถึงพอกําหนดไปกำหนดรู้ไปจิตก็มีกําลังมากขึ้น มันก็เริ่มถอยกลับเข้ามาในจิตคือกำลังมันอ่อนแอจิตไม่มีกำลังมันก็เลยไปยึดความทุกข์ข้างนอกแบบว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาแต่ถ้าจิตเริ่มกําหนดรู้เนี่ยสติเ น, เนี่ยมันจะควบคุมจิตเอาไว้เป็นสมาธิเป็นสมาธิทําอยู่ตั้งวงข้างบนอยู่ที่จิตมันก็ไม่ไปทุกเขาแต่ทุกนั้นไม่ไปยึดทุกนั้นมันก็เลยถอ ย, อ, ยออกมา พอเริ่มถอยออกมาเวลาจะเริ่มเห็นเราเอ้ยมันทุกอย่มันไม่ใช่เราแล้วเรื่องราวต่างๆนี้มันไม่ใช่เราแล้วดีถ้าหากว่าิิตของทนํามันเริ่มมองเห็นเนี่ยก็แสดงว่าถูกทางแล้วเริ่มถูกทางแล้วมันกําลังที่จะดเริ่มมีกำลังที่จะกลับเข้ามาหาจิตแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีกําลังจริงๆเนี่ยมันก็อยู่กับจิตทันทีเลยไ่กลับเข้ามาหาจิตเลยพอกลับเข้ามาหาจิตจะหมายว่าอุปาทานก็ไม่มีแล้ว พบไม่มีนะมันก็ไม่เป็นภาพนะแล้วจิตของเราเป็นตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองแะเป็นตลาดนะแล้วลถูกความหลงผิดครอบงํำจนไปนหลงยึดชุกท์างนอกมักเป็นทุกข์ของเราแล้วก็คูณแต่งเป็นเรื่องเป็นเราทําให้เราทุกข์ต้องอยู่ที่สุ ด, สดทุกแล้วก็ทีนี้จะอิจฉาจะยิ่งมากถึงเป็นเราทุกข์ เราทุกข์ก็ต้องการความช่วยเหลืออยากให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเมื่อเวลาจะแก้ทุกข์ก็ไปแก้ข้างนอกเลยนะมีความหลงไม่ตื่นอย่างนี้นะมันจะดึงเราออกไปข้างนอกหมดจนเพรนะคนนั้นคนนี้ทําให้ทุกข์เวลาไปแก้ก็ต้องการให้คนนี้คนนี้มาเอาทูกข์ออกไปแต่เวลาผู้เจ้าสอนมีสอนให้มาแก้ตัวที่ตัวเองตื่นต้องแก้ให้ตัวเองต้องพยายามที่จะมากาหนดให้เห็นว่านี้คือทุกข์พยายามให้มันรู้เห็นทุกข์ ถ้าเห็นพวกขับเจลืม <tr> ันจะวางเนี่ยทิศทางพระเจ้าเป็นอย่างนี้เลยเพราะถ้าเรามาในสถานที่ที่พระเจ้าตจสรู้เนี่ยเราจะทําความเข้าใจตรงที่ว่าถ้ามันเกิดได้อย่างเไยมันเกิดเพะอเริ่มต้นเมียวิชาเี๋ยวพเจ้าเข้าใจอย่างนี้เลยอ๋อมียวิชาเหรอเมียวิชาปัจญาเส้นธาราอ๋อมันเป็นแต่งดีชั่ว ทั้งวินาทีอวิชชาปฏิยัติสังหาราสังหาราปฏิยาติวิญญาณ น, น, นั้นวิญญาณนี้เราต้องรู้ปเกิดไล้วรู้ระวังขจิตระวังวัญญาไอ้ใ้ขามดีใจขามชื่อรู้ว่าอัญยินชาเสือโดยที่มันไม่รู้นี่แหละมันจะเกิดไว้เราะวังขจิตมันยิ่งเป็นทำให้วิญญาณตัวนั้นมันาเกิดไม่ผักงานมาเพราะว่า กรหลงของเราเป็นเพื so kind of ่อม we well. we well, ันก so kind of we well. we like ็เลยมีตัวเรามีตัวเราทํากรรมดีก็เราทําถ้ากรรมชั่วก็เราทําแต่ถ้าลองรู้ชัดแจ้งตรงนี้นะไม่มีเราแน่นอนเลยนะมันเป็นเราไม่ได้เลยมันเป็นแค่การกระทบอารมณ์กันแล้วก็เกิดขึ้นแค่นั้นเองมีแต่แกแล้วเกิดขึ้นจบทันทีเลยไม่็บเอาไว้กรรมก็ไม่มีด้วยมันสัตวแปลว่าทำโดยเฉยๆไม่มีกรรมต่อไปไม่มีกรรมก็ไม่มีอะไรทํามาเกิด ก็เรื่อจะเกิดแต่ทีนี้เมื่อธรรมมาเกิดแล้วแล้วตัวกรรมมันตามมาเกิดก็ต้องหาบหุญ น, นามลองรับกรรมที่เป็นเกาะขึ้นยิ่งเพราะนั้นในที่ททเรื่องเราที่มันเกิดขึ้นเป็นกรรมของเราทั้งหมดเราทํามาเองทั้งหมดผลของกรรมในอดีตมันผักไสผักดำให้มารับกรรมตรงนี้ก็คือมีตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็จะ เพื่อเรารักกําเหล่านั้นนีไม่พ้นถ้าใครอยากออกจากกรรมก็ต้องมาศึกษาทางออกตามวิธีของพระพุทธเจ้าถ้าเราก็คือต้องพยายามมีสติก่อนเพื่อรักษาจิตเอาไว้ควบคุมจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้ใจตั้งมั่นเพื่อจะมาเห็นตัวทุกเรื่อมันต้องมาเห็นตัวทุก ปุถกก็คือกับใจนี่เนะี่ยมันเป็นปุถุเพราะมันมาเกิดนะมันเอากรรมมากรรมมันผักดันให้มันเกิดแล้วเพื่อมาใช้กรรมโดยใช้กรรมมันก็ต้องเกิดทุถุขึ้นมาเรามาจริงมาศึกษาข้อปฏิบัติก็คือมารกนั่นเองมากนีหมายา็ว่าถ้าเราพูดเป็นแต่ต้นก็คือมีสติ สติเบื้องต้นเ น, นี่ยมันเป็นวิธีองการปฏิบัติในสติเบื้องต้นมีําบริกรรมบ้างดูลมเข้าลมออกคองหนョยุดหนอซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอพุโทโธและแต่จะทําเพื่อให้สติตัวนี้มีกําลังเพื่อให้เป็นสมาธิเพื่อจะให้มาเห็นตัวทุกข์นี้ได้เนี่ยเป้าหมายที่ต้องมาเห็นทุกทุกให้กําหนดรู้หลวงเจ้าก็บอกแล้วนี้คือทุกทิศสามอย่างที่ต้องทํา ในยติตีก็คือรับจับยามรู้นี้สุขนีสุขเหตุแห่งทุกนีุ้ขนิโรดนิยมต้องเข้าใจด้วยควรทำยังไงกับทุกให้กำหนดรู้ให้ทําให้เก้งทำให้ชอกแต่ทําให้คือให้เรารู้มากำหนดรู้มาดูให้มันเห็นให้เข้าใจเรื่องน้แล้วมันก็จะปล่อยวางได้ เพราะมันก็จะทวนไปาหาเหตุเป็นทุกข์นี่แหละเหตุทุกข์ก็คือมีตำหามีอุปาทานแล้วก็เอาเข้ามาไว้ในที่เป็นทุกรูอเนื้วิชาที่อยู่ทุกข์เราเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็นอนเนี่ยเป็นจิตเอาวิชาที่เล่ห์เที่ยวกันตำหาอุปาทานพวกเที่ยวกัน ทำรูปทานเมื่อไหร่พร้อมแล้วที่จะเกิดเป็นทุกข์พบก็เกาะขึ้นทันทีเลยเพราะมันอยู่ในจิตแล้วนะมันจะกุ้งแต่เป็นชาตินะเป็นชาติก็คือเป็นเรื่องเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นในจิตแล้วนะเปียกชาติมันเป็นทุกข์แนละ้วแต่พระเจ้า ก, ก็ไม่สอนให้ตัวให้หนีนยะสอนให้หาข้อปฏิบัติเพื่อจะมาเห็นอย่นี้คือทุกข์ให้กําหนดรู้ พราเติบุกนี่แหละมันกำทำตรงนี้ทุกกระเพื่ดทุกสิ่งที่เรียกว่าอันนีทุกกระเพื่อเดิทุกกระับหรือทุ ก, ทท ก, ทกความดับทุกอันหน่ก็คือว่ามันก่อทุกข์ขึ้นอย่างไงที่เจ้าประามวจตรวจสอบไแล้วแต่มีความโลเียิชาเป็นปัญญาสังขาราสังขาราปัาวิญญาวิญปัจา นามรูปังเจ้ามาลูปนามเพื่อลองรับกรรมนามรูกพังกับปัจจัยสารยัตพันธวิญญาณนี่มีอายะนาหกแล้วเพื่อมาลองรับกรรมมาใช้กรรมนั้นสรารยะตพนธั้ปัจจัยพักโศเนีัยมีภกษาที่ไหนละ่ะเป็น เ, เ, น, เ, น, เ, น, น, น, เนี่นยก็เกิ่ดภาษาทักษะเป็นปัจจัยเวทนาต้องเวทนาเนี่ยๆมีเรื่อสายต่อเกิดทุกเวทนาปัจจัยตัณห มีตัณหาและมีความอยากตัณหา ป, จจ า, า, าปัจจยาทะโลกทุกมีพุกก็คือเราเลื่องเข้ามาไว้ในจิตเลยเรียกว่าบุพภาวะปัจจยาชาติหน้ามีภาพเปรียบุรุษแล้วพรปัจจยาสระลามรณะโตกะปริเทวะทุกขาโทมนะกะอุปายาต ก่อทุกขันดีเลยก็เาะเคยฆ่าปั๊บมีชรามรณะโศกับพุทธเจ้าทาทางกายก็เอาชรามรณะพอมองเห็นว่ามันมีความทุกข์ว่มันแก่ว่ามันเจ็บมันป่วยมันท่ายอะไรต่ออะไรแต่ถ้าทางอารมณ์ของจิตเนี่ยเหมือนว่ามันแก่ตัวมันมีกําลังมันเพิ่มขึ้นกว่ามันจะดับมันก็มีทุกข์มีอะไรต่ออะไรจนหมดสายขึ้นมาแล้วมันก็ดับได้บางครั้งมันจะดับเองได้แล้วโผล่มาใหม่ได้อีก นี่คืสายเกเปิดทุกสายดับทุกจริงสายดับทุกในที่นี้พนกะต่อเนื่องมาลุ้ทีันมันมีทุกที่มาตรงไหนก็ดูตรงนั้นแหลพกำลังดแล้วว่าพมีชาติมันจริงมีทุกอย่างชาตมีชามอลนโกับปีเตอร์วัตุปัทโทมนาเสลปยาสันนต้มากํานด้ตรงที่มันมีทุก์นึ่งต่อเนื่องจะเกิดขึ้นมาว่า ดับทุกอย่างต้อับอย่างนี้นะชร า, ามุนนะรน่าโสกตาปเทว่ามีก็เพราะมีเช่าก็คือต้องมาดูตัวทุกนี้ตัว ท, ทุกนี้ก็มีมันก็ทวนไปหาว่าโอเป็นเพระจุตละปูุกต่มขึ้นมาเต็มเต็มขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีทบมันมีอุปทานมีตัญหามันก็จะไล่ทวนขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าเป็นความหลงขอ ง, ของตัวเองเนี่ยแ ต, แต่เราสนใจเติมเพื่อข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกนี้ เราเมื่องรู้แล้วว่าถ้าถามว่าเรามีกายมีใจมีตาหูจมูกนิ้วกลางใจต้องมีทุกข์กันทุกคนมีเลยพราะเนื่อนอน้ะเพราะมันเป็นสายก่อเกิดทุกข์แต่เราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ได้พบคําสอนของพระเจ้านี่เป็นบุญของเราเลยเป็นบุญยิ่งเราเมื่อศึกษาเดินทางมาตามรอยบาทของพระเจ้าเพื่อกระตุ้น ให้เราได้ฟังธรรมของเจ้าแล้วก็มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็มาทําความเข้าใจว่าแก่นแท้ของคาสอนของพระองค์นั้นแหละพอพระองค์ตรัสรู้แล้วก็คือว่าทบกข์มันทุกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นทุกข์เกิเลยวา โ, โอ้ทุกข์มันเกิดเกิดเพราะว่านี่แหละมันมีอวิชชามีความหลงผิดว่เป็นตจวเป็นตนถึงนตัวเราถึงของเราแล้วจะทําให้ เกิดสังขานสั้งขันดีชั่วคุณแต่งทางดีทางชั่วแล้วก็ทําทําลงไปเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนเสร็ได้ในพวังค้าวิญญาณที่ว่าสังฆ า, าราปิายาวิญญาณนั้ยึดสายมงนมาตามอย่งจากนั้นมันก็วิญญาณนี้ก็ปัจยา น, ม า, ม น, น, น, า, นามะลูฟังมาเป็นรูปนามแล้วคือมารองรับกรรมอันนั้นนี่มันต่อกันอย่างนี้ถ้าพาฟังตรงนี้เข้าใจเนี่ยมันจะชัดขึ้น ว่าอ๋อมันกอดทุกได้แน่ๆชีวิตอยู่นามัตุต้องก็มีต้องมีสลายยตันหนมีตาหูจมูกลิ้นตายใจเพื่อรองรับกรรมที่เป็นธรรมเมื่อมีอายตนะสลายยตนะก็ต้องมีภาษาเมื่อมีภาษานี้สิ่งที่ประกอบกันเป็นแบบภาษานี้ทางตาก็ต้องมีรูปแล้วก็มีจักรุญญาและจะเชี่อกันพอดีเลยนะยุคนี้ก็ต้องจะตัดเอาไว้นะสําคัญมากเลยนะ ตาจะเขารูบเท่าไหร่ยินยาณตั๊กมันเข้าไปรับทันทีเลยอัตโนมัติเลยที่หูหรือที่เขี้ยนตั๊กก็มีโสตะวิญญาณไปรับทันทีเลยสามสิ่งนี้ประกวกันเรียกว่กภาษเพราะฉะนั้นคำว่าภาษานี้จะต้องมีสามอย่างเสมอตาตาก็ต้องรู้แล้วก็จับถูยินญานถ้าหู้กับเสียงก็ต้องมีโสตะวิญญาณ จมูกกับจลินก็ต้องมีฐานะวิญญาณวิญญาณทงจะูกทาลิ้นก็ต้องมีลิ้นกระทบลบก็ต้องมีคูหาวิญญาณก็ที่เดียเรื่องธรรมชาติจิตและโล่มันยื่นไปตั้งเดียไปรับรู้ทันทีเลยไอ้วิญญาณเนี้ยคือสิ่นี้แหละมันยิ่งไปโล ตอนที่มันไปรับรู้อารมณ์เขาเรียกวิญญาณไปทำหน้าที่คนากายถูกต้องสัมผัสมันก็วิ่งมาตรงที่มันสัมผัสได้แหละอารมณ์ของใจก็กระทบใจจรินก็เกิดมโมวิญญาณีนตรงนี้เขาเรียกว่าผักักต้องถาอย่างนี้สเสมอ ยิ่งมีภพก็ต้องมีเวทนามันต้องมีเวทนาแน่ๆนี่ทางทางกายมันก็มีสึกปัทุกนอกใจไม่รู้มันจะไปเฉยได้ตัวใจมันจะมีอุเดกขาเวทนาแต่ท่างกายมีสึกปัทุกมันจะมีเวทนาคือคเวทนาทุกคเวทนาสบายไม่สบายขึ้คือไม่สบาย มันก็ไม่อยากเอาไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากทำลายอยากให้มันหายไปเพราะนั้นเวลาเวลาไม่ไม่สบายมันจึงหยีดเงื่อนหานแต่เวลาสบายดิมันชอบใจขึ้นหน่อยมันสบายอยู่มันพอใจแนะเนี่ยเพื่อตั้งหาจะเอาและจัดเกี่ยวข้องแล้วเี่ยอยากได้ขึ้นมาแล้วแล้วจึงมีเวทนามันจึงเกิดปันญหา เมื่อปัญหามันมันมันอยากได้มากบ่อยๆ อ, ยอะ่ะเป็มกราทำตรงนี้พร้อมจะเกิดทุกแล้วเอาเรื่องเข้ามาไว้ในจิตจากนั้นก็เป็นภาพตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวในจิตซะก่อนถ้าตนนามใจขณะนั้นก็ไปเกิดเมื่อารมณ์พวกนี้เราพาไปเกิดมันจึงแต่งขึ้นในจิตถ้าเราพันเห็นมันดีดูจนมันดับไปก็เรื่อยเป็นระยะเสี นี่คือทุกข์แล้วทีคือเห็นทํามันตอนไหนอ่ะคือพอเราเกิดชาติปั๊บมันก็มีชรามนัสโศกกาปริเทวทุกขะโทมนัสตโยยะสัตย์ยิ่งเกิดทุกข์ึ้นในจิตเรี่ยงจิตมันตามดูตรงนี้ปั๊บดูไปดูไปมันก็จะค่อยๆควนไปหาว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเอาเรื่องราวเข้ามา ตูแต่งขึ้นในจิตก็รู้ว่าเขารามีทุกข์ก็เอามีชาติเหมืมันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตที่ชาติก็ก็รจะเอาเลือดข้างนอกเข้ามาเพราะเวลาเวลาเรามีทุกข์เนี่ยจึงต้องมากำหนดรู้ตรงทุกอี่างแล้วใครทุกเป็นทุกข์ว่าเป็นเราเก็บปวารทุกโศลมานี่จึงว่นหลงมากมันหลงจนกระทั่ง ไปยึดจะเป็นทุกของเราแล้วแต่ถ้าไม่หนูเอาหลักธรรมของเรามาใช้เกิดประโยชน์ทุกให้กำหนดรูตั้งสติขึ้นมาจะต้องดูใ้มันเห็นได้จะต้องเห็นมันให้ได้หนูอุทกดูให้แจ้ให้ชับเลยให้กาหนดรู้กาหนดนให้ได้เมื่อเแล้วมันจะวางวางเองย่างพรอหานนี่มันจะวางหมดเลยเมือเขาดูแล้ว ที่ควรทำกับทุกเรืมมูลเลยแล้วเมสาวไปหาหัเหตุตยุมันจะเห็นเมือกันแหะนี่คือเหตุเป็ทุกต่ละมันก็พยายามละพยายามละก็คือดูน่แหละดูจอทุกชัดเจนแล้วมันจะละเตทุกไนดะ้ต้อทุกเรื่สําคัญต้องกหนดดูทุ ก, ทกเหตุบางทมาดูว่าเออเดียมัน มันเป็นแค่กอนทุกเป็นแค่กองทุกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมือเ่อหลังมันจึงจะปล่อยวางได้เรื่องทุกข์ก็เกิดขึ้น ไ, ได้เรื่องทุกข์ไม่เกิดเตืิพุกมันดับไปเป็นนิโรธเอาให้มันแก่ให้มันพักขึ้นในจิตทางที่จะดับทุกเนี่ยปฏิบทาิธรรมหรือวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากทุกเนี่ย เจเริยนให้ยิ่งทาให้มากยึดยึดที่ควรทํากับมันทำให้มากขึ้นมากขึ้นจนมันมีกําลังพอสามารถเห็นทุกดับดูทุกดาดเมื่อดูทุกดาดมันก็รู้เหตุเห็นทุกเป็นพัจจิของเราไปอุปบัญฑัญยึดเรื่องเราทั้งโลกเข้ามาไว้ในจิต พอเห็นาเป็นท่องเวททามจิตเป็นจินวางแล้วทุวกกระดับไปจับจิตเป็นมี้เลยถา้ามันยังไม่หมดก็ต้องมักจะเลยให้ย่มต่อไปอีู่ถึกว่าที่มันจะมาเป็นถึงขัอริยสัจสีเนี่ยสติเราควบคุมจิตได้ดีและเรียนทำไม่เต็มที่มันต้องมาสอบสวนกันได้ทีนึ่งมันต้องปฏิบัติ แต่กำลังยังไม่พอเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติไปก่อนเราต้องทำความเข้าใจว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติและทําไมปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่จะเดิขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันยังไม่มากพอไม่เพียงพอหรือถูกหลักนะถูกหลักไหมเพื่อที่จะมารู้ทุกหมแต่ถ้าหาว่าเอาเราทำไปแล้วผิดเป็นสมาธินี่ไม่สมาธิที่ มันก็จะมีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกันในตัวสมาธินี้ยิ่งๆ้คือบางทีมันก็ทําให้เราเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วจิตมันพอมันประมวลเข้ามาในจิตของเราเนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วบางทีมันก็สัมผัสไปรู้ไปเห็นตรงนั้นเปน็นี้ถ้าเกิดเราจะยินดีมันไปพอใจมันเราก็รู้ป้อหมายที่แท้จริงว่าต้องมารู้ทุกมาเห็นทุกมากำหนดรู้ทุกนี่มันก็ไม่ไปอยู่มันก็ไม่ตรงทางของโมเดเจา้าก็เอาไปดู ดูหมอมั่ก็มีเนี่ยก็เอามาอวดกันโอ้ฉันเห็นทวดาเห็นผีเห็นเกรตมาขอเสียนุ่อย่นู่นมันก็ดูว่ามันคนที่ไม่เห็นเนี่ยมันก็ดูหน้าหน้าติ่งเต็อยากจะเห็นเนียคนก็ชอบเพราะมันแปลกแต่จริงจรมันก็ไม่ทําให้แบัตรพได้างสเห็นแล้วก็แค่นั้นเนี่ยมันก็เหมือนเห็น คนทั่วไปเห็นตัดมาประเทศอินเดียแต่คนอินเดียอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีพวกนั้นเขาก็หลงเหมือนกันอยู่ทีนึงก็เลมาทักเพือนให้เราหลงไปด้วยกันทีนึงเพราะเขาอย่างมีพวกก็ยิ่งไปอย่างเลยทีนี่มันก็มีอะไรที่มันทําให้เกิดความรุ่มหลงไม่เลอกเกิดยางพาราขึ้นมาคนตายแล้วไปเกิดเป็นนั้นเป็นนี่มันก็ตามดูไป พอเหอยากคนนั้นตายแล้วที่เกิดตรงนั้นเป็นเร่องฟังโอ้เขายบย่องตนต้นยินดีขึ้นใหม่แล้วที่ท่าขึ้นมาได้บ้างตอนน้มันก็หลอกงวงผิดบ้างถูกบ้างหลงไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สัจธรรมมันไม่ใช่ความจริงอย่างเงยสิงที่เราตขมันไม่ล่าปัญหาเหมือนกันนี่ยบางทีมหลอกงวงแต่มีทาองค์หนึ่เนีเป็นฝรีนะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่วัดรอยรมีี เราก็นั่งอยู่กับท่านอา จ, รจอารย์ที่ประพาทท่านอยู่ทักษะหลังนี้ก็เข้าไปบอกเขาเล่าสมาธเ ม, มื่อไรนี้แต่เขาไม่กลืนนะก็เลยคิดไม่ไปไหนเลยอะอาจจะเคยมีทําอะไรมาก็ไม่รู้ว่าท่านบอกแกไม่ได้ถ้าตัวเองไม่แก้ไขตัวเองเนี่ยมันก็แค่ไม่ได้จริง คือพอใจอยู่ก็เออนึกว่าดีเห็นเทวดาคือมันจะอย่างนี้บางทีคนไหนที่ชอบเรื่องเทวดาไอ้พวกมารพวกอะไรก็มาในรูปของเทวดามาทําให้เราพอใจถ้าใครกับทาเจ้าแม่คนอินก็บางทีก็มาในรูปของเจ้าแม่คนอินแต่เราก็อาจจะจิงบ้างอะไรบ้างรมาบางคนก็ชอบหมอก็บางทีเป็นเหมือนที่เท่มาเลยนะเป็นหมอ ดูหน <yst ampl i ets> right ัเรื minutes, care, no. no. ่องราวอะไรต่ออะไรมาชวนให้ด like so ูหมอมาสร้างบาลมีอะไรต่ออะไรนี่ก็มีมาเล่านะนี่มันมันเป็นได้นี่คือมันมันมันไม่ไปตรงกับทางที่พระเจ้าสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้สนใจนะไม่ยินดีไม่ยินไลน์ต้องเอาหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาพระเจ้าก็บอกว่าถ้ามีความเพียรมีสติทั้งปัจจุบันและความยินดียินไลน์ในโลกนี้เสียไะว่าจะมากระชับเราไม่ยินดีไม่ยินไลนเอาคิดให้เป็นกลางเอาไว้ ลักษาจิตทห้ติกลากเอาไว้คราวนี้มันก็จะไป่ะทีมันก็ไปหาทางทางออกของจิตใจล้เพราะแค่ทตคำตอบย้ำมีกำลังเพิ่มขึ้นมันก็จะอะไรขึทีก็เริ่มรู้เนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยแต่ต้องว้นจรงต้องมาเห็นทุกนี้นี้คือทุกให้กำลังรู้ ถ้ารู้แล้วมันก็จะวางเหเห็นทุกทุกเหยืห่นทุกก็เกาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็เห็นทุกอยู่ในว่าสภาวะทุกอยู่ในงอบมันไม่ได้มีแรงยั่งยืงยนยงไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งยีดับไปมันเรียกว่าสภาวะทุกเราถือเห็นพ้าไปรักนั่แหละลเราถือสภาวะทุกยิ่งมันเห็นมาขันห้าเนี่ยมันทานํางานยังไงเราถือความเปลีใใ่ยนแปลงมันมีตลอดเลยย่งจิตใจมีกําลังมากเท่าไหร่มันก็ยึเห็นความเกิดดับเร็วเท่านั้น เห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วเท่านั้นแล้วมันจะไปยึดอะไรไม่ได้เลยอะไรเกิดขึพับอยู่มันเห็นไม่กระทั่งัววิญญามันยื่นไปรับหูรับนู้แล้วก็ผ่านไปเฉยๆอย่างนั้นเนี่ยจิตเมื่อวางเฉยมันขาดออกไปเดียวนั้นมันเห็นเดียวนั้นน่ะอยู่ที่เฉยเลยเ้าะแต่พูดก็ได้ว่าโอ้มันเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้เองนี่แสดง่าชีวิตมันก็แค่นี้เองเอาแต่พึ่งชักพมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนะ อะไรจะทุบป like, ั๊บหรือปั๊บมันเฉยหรือปั๊บเฉยมันขาไปว่ายขาไปว่ขาไปว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้ว่าอ๋อ้แต่แสงยึดอยูมันแค่นี้เองแล้วจะให้ยึดอะไรอมันยึดไม่ได้พราะมันเห็นทับเทียนเพราะพวกแกก็เห็นเนื้อหนงก็เห็นทับเทียนเพราะองค์ก็ต้องมาสอนให้สาวลูกฟองเปปฏิบัติตามใี่มันเห็นเช่ไหมให้มันเห็นด้วยการโ่กกระแสชีนไม่เป็นแค่กระแสทุกกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นถ้ากาเห็นมากขึ้น มันก็ต้องไปวางนี้มากขึ้นเหตุน้อยก็ต้องไปวางไปได้ทีละเล็กทีละน้อยเสก่อนอย่างถ้าทำไม่หยุดปฏิบัติไม่หยุดมันก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นบางทีมันก็มีเหปัจจัยของเราอะมันยังไม่พร้อมชาตินี้ก็เย่าง น, น้อยที่เดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าเหมือนเจ้พระ อ, องค์ก็ทํามาเหมือนกันไม่ใช่ที่เฉพาะชาตนี้ที่ผ่านๆแล้ก็ทํามาตลอดชาตนี้ก็ตั้งหกปีบังทีเรามาแค่สองสางวันนี้เราจะ จะเอาแล้วจะเอาแล้วบางทีถ้าหาวันบางทีเราเจตกล้ามันพร้อมมันก็ได้เพราะว่าอาศัยอนุภาพของพระพุทธเจ้าอาศัยบุญบา ร, รมีของเราที่เคยสั้งสมบมบูรณมามันถึงไเวลาพร้อมที่จะรู้ระดับไหนมันก็รู้ได้เองมันก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นมาได้แต่ที่นี้เราปกำ mon เข้ามาแล้วสาวหาแล้วว่าอ๋อ กระแสที่จะก่อทุกข์ให้กับเราเนี่ยกระบวนการก่อทุกข์มันก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ความหลงภายในจิตของเรามีตัวมีตนคืออาวิชาปัจจัยทางธาให้เราทํามีทำเชื่อป้องกัมีชั่วแล้วก็ทําดีทาชั่วเมื่อทำแล้วมันก็เก็บเอาไว้เพราะมีตัวตนเก็บไว้ในาาระา ว, าวังสติระวังสัมมิยาเก็บอาไว้จากนั้นเอานี้มันก็ไปหา รูปนามเพื่อรองรับกรรมที่ตัวเองทำมาไว้จำนป็นว่าวิญญาณ น, น, า น, นั่งปฏิญาณนามาัสตังก็มีกายมีใจขึ้นมาเพื่อรองรับกรรมนั้นก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าเวลากรรมมันจะเข้ามาต้องเข้ามาได้เหตทผลนี้เท่านั้นแล้วก็จะมีทักษะเกิดขึ้นเวลามันจะใช้กรรม มีภาษาแล้วก็มีเวทนามีเวทนาแล้วก็มีปัญหามีประธานจากนั้นมันจึงเป็นมีการมีภพแล้วก็จึงมีข้าจากนั้นก็ก่อทุกข์มีทางออกมันทุกข์แล้ว่ทํำยังไงก็ต้อสงสร้างกําลังของจิตเราให้มาเห็นตัวทุกข์ให้ได้นี่แหละทํา ม, มันเป็นหนึ่งเดียวทางออกของพระพุทธเจต้องการให้ขเข้าใจกระบวนการที่จะดับทุกข์ไป เพื่อที่เดียวเราปฏิบัติหให้มันตกมันจึงจะออกจาบทุกได้เพราะเวลาใครสอนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันตรงกับที่พู้เจ้าสอนไหมผู้จเจ้าเตรียมมวลเอาไว้ให้เราแล้วอุาหเดินทางมาถึงประเทศอินเนะดีย้วโดยเฉพาะมายังสถานที่ที่ผู้เจ้าตัดสรุปเราต้องรู้ได้ผู้เจ้าตัดสรุปอะไรพอผู้เจ้าตัดสรุ้แล้ ว, ลวทำขดาวัตลอดเจ็ดวันสมุยุติสุขในขณะยุติสุด น, นั้นแะคือ ที่เป็นสมาธิเป็นที่ท่านก็ประินว่าตัดเรื่วงอะไรก็เห็นว่าสายหนึ่งมันมันทำให้มีทุกข์ก่อเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ในชีวิตเขาแต่ละคนนี้แต่ในขณะนั้นก็มีสายที่จะดับทุกข์มีทางที่ออกเพื่อจะดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็คือเต้ามาที่อายสุขสิณนาที่ข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัติก็คือทุก่งให้กำหนดรู้มแล้วมันก็เกิดเป็นทุกข์แห่งรักความดัทุกข์ก็ทาให้แก่ทีนีอนมักเนี่ยทางยแลรมีทาให้แก่ส่วนมากทีทาให้ยิ่งทีเวลาเวลาเราเรามาดูขับสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยขสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องมาก ถือย่อมวิถีอย่างประปทานตีพ่อชงเจดพวกสมมระทานตีอิทธิบาทตีอิทธิภาวะพราหาพวกนี้เป็นมักหมดผู้ที่อย่างุนกุศลักษาชีวิตทำใจเป็นธรรมาีัตทำให้เกิดปัญญาพวกนี้เป็นมักหมดแต่พกูกที่ทำห้าเมื่อไรก็ตามพวกนี้เป็นตัวทุกข์สภาวะทุกข์ มันเป็นขนันห้าเป็นอายตนะมันเป็นภาตุสี่เป็นอริธาตุพวกนี้ที่พูดมีเห็นตัวทุกข์แต่ถ้าพูดเรื่องพวกปัญหาพวกอุปทานพวกนี้พูดถึงเหตุแห่งทุกข์ถ้าพูดเรื่องเรื่องความดับทุกข์เรื่อ ง, ง, ง, งนิปทานพวกนี้พูดเรื่องเรื่องมากเรื่องผลพวกนี้พูดเรื่องมีโลกมีความดับทุกข์ ก็าจะประมวลเข้ามาอยู่ในรยสะยะศีลทั้งหมดเลยเยอะทำ ม, มากรงเจ้าเนทนี้เวลาเราปฏิบัติถ้าเราเท่ากันหลกธรรมถึงแตงธรรมของผกเราจะไม่สงสยัยอะไรเวลาเวลาสอนเนี่ยกําลรงพูดส่วนไหนของของระยสศีลเพือให้ตำรวจดูทุกให้ดูทุกก็คืว่าเนี่ยกำลังดูทุกนะแล้วแล้วก็ประมวนเข้ามาเป็นระยะศีลไปดูกา ย, ยานี่ก็ดูทุกแนละ้ว ทวนเข้าไปเห็นให้เป็ทุกข์ตัวอุปทานตัวนี้ก็เป็นเป็นทุกข์แล้วก็มีอุปทานจะ็นอิราบเอาไว้อยาให้เป็นอย่างน้อย่านี้มันก็จะเป็นยิบไว้มันก็มาเห็นเป็นทุกข์ทุกข์มันดับไปจากจิตแล้เป็นมิโลเพราะฉะนั้นอนที่้าสอเรื่องทุกข์ปทุกในจิตแั่ทุกข์ก็คือไม่มีทุกข์ในจิตทั้งหมดในทกข์ใจิตเราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ มันไปทุกเงินเนี่ยเพราะกระแสความทุกเงินอยู่ในจิตของเราแล้วโดยเฉพาเวลาเป็นทุกเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ตรงคิดไปวดามันเป็นเพราะข้างนอกดูที่มันหลอกเราขนาดนี้เนะเยดยปกติแก้ก็หวังขึ้นแต่ข้างนอกขึ้นชีวิ ต, ตาปาฏิหาริย์ขึ้นให้คนนั้นคนนี้ดินออกไปวันนั้นเวลามันทุกข์มันมองจนมองหาคนช่วยกันดีเลย แพระเจ้าสอนให้ประเมินเข้ามาพิ่จิตเข้ามากําหนดรู้ทุกข์แต่เวลาเราจะแก้ทุกข์ของเรามันไม่ได้แกต้ตรงทางของเดียวยไปช่วยผู้นอกหมดไปหาพระก็หวังลดน้ดํามนต์ไปกราบพระพุทธลูกกราบพระพุทธเจ้าก็หวังเขึ้นแบบวิมิหารไปหวังขึ้นผีสางเทวดาไปเมื่โลกเรามันก็เลยมีทุกข์แบบนี้เพราะว่ามันเข้าไป่ถธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ถึงแต่เแค่ ของสอนของพระองค์ถ้าว่าเราเข้าถูกทางก็ต้องรู ว, วามันเกิดจาจิตของเราตื่นหลงเกิดความหลงขึ้นมาต้องพยายามที่จะแก้ความหลงทิดตัวนี้ใหดแต่เมื่อแก้ทิตัวนี้ไดูสีมันต่างกันไหมความหลงของชาวโลกกับความหลงของพระพุติเจ้าต่างกันมากนะสวนทางกันเลยอะ่ะแล้วมัจะแก้ได้ไหมแก้ทุกเวลามีทุกมีปัญหาเกิดขึ้นะ ถ้าโลกเขาแก้กันแล้วมันจะแก้ได้เพราะว่าไม่เป็นทางความเป็นจริงแก้ไม่ได้แก้ เ, เดี๋ยวก็ปัญหาใหม่ก็มาอีกแล้วพร ม, มันแก้ไม่ตรงมันจะต้องเีต้องคิดต้องหาทางให้มันมาแก้ตรงนี้ให้ด้แต่เมืก็ทําไม่ได้ทั้งหมดเพราะในสมัยพระพุทธเจ้าปัญหาก็มีอยู่ในโลกต้อเลยเป็นเรื่องของโลกไปทีนเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย ไม่เอาความทุกข์ท้งนอกเอาปัญหาทาอกเข้ามาปุ่มบึนจิตเรารู้ว่านี่แหละคือโลกก็ต้องมีปัญญาพอที่จะเข้าใจว่าตับใดที่ยังมีกาเกิดมึงต้งทุกข์เลยเลียนี่ถ้าหาว่าพูดกันให้น้ำถึงใจเลยนะถ้ามึงยังเกิดอยู่ยมึงต้องทุกข์เลยเน่ยถ้ามึงอยากออกจากทุกข์มึงต้องหาทางนี้มาเกิดต้องอย่างนี้เท่านั้นเลยนะ แล้วก็ถดทุกข์ได้ก็คือต้องไม่มาเกิดจริงๆเพราะมีอะไรปูนแต่งขึ้นในจิตเพราะมันก็ไม่โทษอะไรยม่โทษใครอีกแล้วโทษวันเราเนี่ยที่ไม่รู้ทางออกของทุกข์ไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียนไหวตาเกิดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้ยาวนานมากเพราะฉะนัพระพุทธเจ้าจึงตัดกับสาวกของพระองค์เลยเราเพ เพราะเราไม่รู้ในยศ ส, ส, สูรือรู้ในปฏิจจสมุปบาทขบวนการก่อทุกนี้ขบวนการดับทุกนี้เราและเธอจึงเรียนไหวในว่ฏจักรทั้งสามจะมานไม่ได้ยาวนานมากแต่แต่ก็ต้องจิตีต่เ อ, ม อ, นะอมามูความจิงแบบันนะ ในจิตของเราเป็นยังไงนะได้ขนาดไหนเราก็ต้องเอาเลยนะเวลาปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้นะต้องพอใจว่าได้ขนาดไหนก็เอาแต่ว่าธรรมาคของพระเจ้าก็ต้องมีเป้าหมายชัเกเจนว่าต้องเพื่อหาทางออกจา ก, กนี้แต่ทีนี้แลาเราปฏิบัตนะิเรามีข้อจำกัดเยอะๆเพราะเราเคยทํากรรมมามากมายแต่เราก็ต้องมาใช้กรรมตัวนี้ด้วย บางทีมันก็มีมาต่ำมาคว้างมีประชดแทนที่จะรู้มันก็ไม่รู้แต่เราต้องพยายามเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องพยายามกดทนต่อสู้ขออย่างเดียวให้เราได้เดินตามทางของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ให้พอใจตัวนี้ถึงเราจะเรียว่าวาจเกิดอีกก็ตก่แต่แบบนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว เรามีทางออกแล้ววันใดวันหนึ่งเมื่ออินทรีบารมีที่เราเกะก็เพียงพอเราต้องออกจากทุกได้เลยเราจะไม่จนอยู่กับวัตถุทุกนี้อีกต่อไปให้มันมั่นคงขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างนี้พอรู้แล้วถ้ายังต้องมาเกิดอีกต้องมีทุกได้เลยถ้าใครยังพอใจที่จะมาเกิดอีกก็แสดงว่าพอใจที่จะมา ยอมรับเอาความทุกข์อันนี้ต่อไปอาจารยสถิตย์ดีๆนะมีมีมักมันไม่จะเลินแต่ว่าอย่างนี้น ะ, น, นะน อ, นนนนนนะอวิชชามีอาหารคือมวลห้าแใครมีมวลห้ามีอย่ีึอย่างเนี้ยใครอาหารเก๋อวิชชาเนะี้ความมบือเนนะี้ยอบยอมเนะี้ย มันก็ไปไม่ได้อพราะนั่นต้องไม่ให้ น, นีนิวร่อนิวรณก็ต้อตั้งใจดูหรืมันก็เป็นทวกชนิดหนึ่เหมือนกันก็คือธรรมะให้มันเป็นคนเป็นหน่อให้มีสติเมื่อเราเป็นผู้ดูตั้งสติลืมตาก่อนก็ได้ทําให้ร่างกายเรามันจะปี้กระเป๋าขึ้นมาก่อนก็ได้มันต้องเข้าอย่างนีนะ อาหารของอุตสาหอาหารของอุตสาห์ที่มีวันอะอาหารขาวิวัเห้าคือพุทธเจดีสามพุทธเจดทางกายวาจาแลวก็จะมันต้องเอาว่าป่อยใจไปคิดในเรื่องที่มันเพือมันก็จะทาให้มัน เป็นยุบอ่อนมากครับากายสุจริตเนีมโนสุจริตกายสุจริตบุที่สุจริตนี้มันเป็นอาฆาตเขาสุดที่ทำสิ่งแต่ที้ั้ที่อาฆาโคตรโง่โคตรโงก็เป็นอาฆาตตรงสารลามุขต้อเข้าใจธี่ปฏิบัติของตัวเพื่อให้บรรลุธรรมะ ตั้ตใจนะอย่งเราสืบแล้วนะเราสืบแล้ลนะงดูทิ่ตอนนี้ตอนนี้หมว่าธาตุนเรือรนี้ยสเป็นมัดมัดเรากป็นังเดินมัดมัดของเรานีอยู่ระดับไหนสติของเราควบคุมจิตได้หมควบคุมจิตจิตของเรามีอารมณ์เดียวไหมมีสุจตสมาธิาแต็ ควบคุมจิตไ้เมื่อควบคุมจิตได้แล้วจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งร้วรู้เลมถ้าหาว่าจิตเป็นหนึ่งก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเราเจริญขึ้นก็รู้สจิตเจริญขึ้นจิตเราเบิดบานรู้จิตเบิบานีเือดูอยู่เมวนี้เราว่ายานยานในขั้นสมาธิป่มขั้นสํคที่ขนรู้ตัว แล้วมืวอโวนห้ามนะไอ้เรื่องสภาวะคำนังอาจารยนะ์อยู่เนะอยรู้นะเวลาพูดมันก็ไม่เข้าไปนะมันมันล่วงนะี่ยพมันรู้ก็แสดงจิตญาณไปนู่นนะี่ยตัวรู้บางทีตัวนิวนณ์มันกลายเป็นเครื่องมือสึกจิตทำให้จิตมีกำลังพอมันต้องต่อสู้ แต่ถ้าคนที่มันเคยม่วมเคยซึมก็เป็นประจำหรืออะไรแก่เนี่ยเราจะมันต้องพยายามเป็นที่ในการแก้มันบองที่แก้ได้แล้วมันก็เป็นได้อีก น, นีบวกห้ามตื่นจริงว่ามันก็มีวิ บ, บากกรรมเหมือนกันสําหรับคนที่เป็นประจำประจำเลแต่ว่าก็ไม่เคยความพยายาม ถ้าจิตมันมัีกำลังแล้วมันทําให้ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็จะมาดูป็นหัวก็มาดูเจอทุกเมื่อมันทึงจะเห็นหนาอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้ก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นนี่มันก็กระแสของทุกเวลาพูดในเงี้ยมุมของการปฏิบัติของเราเอมันก็อะไรเกิดขึ้นก็มันรู้ฉะก่อนแล้มีสติขั้นปัญญาให้จิตมีกําลังขึ้นมาแล้วต่อมาก็ เข้าใจด้วยเกิดและก็ดับเมื่อเห็นความเกิดดับไปขึ้นืองขึ้นจิตมีนกำลังเพิ่มขึ้นมันจนเนืองว่าเกิดดับอยู่ในจิตเมืว่าปัญญามันกล้าเกิปัญญายาเนี่ยมันกล้ามันก็เลยเห็นว่าทุกอย่างเกิด บางีมันก็ขนลงลงไปได้เป็นมักเป็นสมขึ้นมาได้สุก mm hmm. ท, ท้ายมันเป็นเกียวที่อนุตตาเร่นี้เราเป็นเราเป็นของเราอนตตาทับมันก็อ น, นิจจังทุกขังกบชัไเดนวยกังเลย เตัวยมๆนะบุญช า, าพ่อพุทธเจ้าเป็นโกาสสุดท้ายเลยนะเราได้มาได้น้อยไม่เป็นไรเนะพราะขอให้เราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพ่อพุทธเจ้าแล้วก็สำรวกดูบบได้ว่าวันนี้การปฏิบัติของเราเป็นอย่างไงฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะแต่แค่ไหนเราก็พอใจ พอใจว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นกําลังสติปัญญาความสามารถของเราเนี่ยเราก็ทําด้วยความตั้งอั้งใจนะผลเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระพุท่เจ้าสอนสร้นเด็กพอใจสร้างเด็กพอใจปฏิบัติมีเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยคือสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้ แล้วคิดว่ามันเป็นทางออกของกิจกรรมการทกันไปอทําแล้วมันจะดีทําแล้วมันจะทำได้เพียงมีความสุขถ้าไม่พักพวกพ้อมีความสุขไรก็ทํากันไปทำแล้มันตรงกับทางของโอเจตเจ้ามันก็เป็นทางออกจริงๆทำแล้วไม่ตรงก็หลุ่กันไปอยู่แล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังเกิดอยู่ก็ต้องเจอแบบนี้แหละสิ่งที่ทำก็มาปรุงแต่งมาจากจิตเลยค่อเรื่องจิตหลงหรือจิตรู้ทาจิตหลงมันก็ทําไปแบบหลหลงไปคือเรื่อความหลงเนี่ยมันถูกมันต้องแต่ถ้ารู้แค่ก็เออทําแล้วมันก็ทําให้ทุกมันเบาลมันเป็นทางออกจากทุกสิ่งที่ทำมันรู้ ต, นตอนเราก็พยายามที่จะจะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าในทางทางออกทางดังมันจ ะ, จะได้จบเร็วๆเนีน่เการถวายการปฏิบั ต, ติของเรานี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนะี่ย น้ำถวายโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาของเราเองในฐานะบิดาของเราได้เริ่องทางเมตตาใจหายออกขอจิตใจหรือแตว่าเป็นบุญเนี่ยก็ใช่บุญมันโดดแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าของเราในมุ่งที่จะ ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยอนุภาพของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมสร้างกําลังของจิตใจให้เราเนี่ยได้รับผลของการปฏิบัติทางจิตใจให้มีกําลังใจให้จิตใจเรามีกําลังพอที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปได้ เพื่อออกจากมุขใหได้ฉะนั้ก็ถวายตามปฏิบัติธรรมของเราดูชาเดียร์พระพทเจ้าเดยะธรรมเดีร์ประสงค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกตลอดและจะพยายามตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตามางสอนของเราใหมีนิ่งขึ้นาปขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาดูเจ้งใจตลอดในอารยสัจะรํา เตือนพจากทุกมนื้อตัิสายด้วยเถและประทั้งใจทุกบุญขออำนาจพระผู้เเจ้าอำนาจประทนอำนาจประโคมจงเดินบรรดาบุญของข้าพเจ้าไปจากอดีตจนปัจจุบันได้เป็นญาติโยดาที่รักษาด้วยนายดีของข้าพเจ้าได้เป็นญาติโยดาที่รักษาด้วยนายดีของข้าพเจ้าสามารถมีทารยาได้ที่น้องที่มีพระคุณของข้าพเจ้า ให้จะดูียนทั้งหลายที่ศูงสติเกินวัดนือเหนือดินเหนือดินให้แกียนทั้งหลายที่ศูงสติเกินด้านเหนือเหือในที่ทางานร้านค้าในบริษัทในโรงงานโรงแรมในไร่ในนาในสวนในที่ดินในสมบัติพรสถานของข้าพเจ้าจะดียนทั้งหลายที่กาลังข้อการบุญจากข้าเจ้าในทีทุกการทุกครูให้แกผู้ที่อยากเป็นผู้เยาวระเจานโ ของขาราชการให้มารั บ, บวินในคอาให้ทางหลวงให้หาาบบใหเสร็จโด ย, าาาาาา ท, ยทันทันเอยเพราะท่านทั้งหลายจงยินดีรับอาวุญของขาราชาให้เพียงพอเกิ่ความต้อการตลาดเวลาและก็ตลอดไปแล้วก็อขอาาาให้สมความปรารถนาด้วยอาริภาพแห่งบุญกิจการจารย์ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ เมื่อสมความปราศจากยาแล้วให้มาปกปักรักษาผู้ปองเือเื่ออ้พเจ้าินขอให้มีแต่ความให้มีแต่ความสาเร็จมีแต่ความนให้ิใจถรเจ้าจาุลเมื่เร้อลใจรรนี้มวันนี้หมักหน่อยะก็เมื่อสถานที่ตัดกระดูเรมีักนสุดท้ายแล้วเนี่ย คำหนักหนอ่อยจำแเลยพูด็ปยากคนเข้าใจไปยากแต่ใครเข้าใจได้ดีเกดเลยเพ่อนนี้เลยพอเลยฟังชื่อนนี้พอเลยถ้าใครเข้าใจไะ้